บทที่สามสิบสี่ไปเมืองกุ้ยหลิมหลวงพ่ อ, อยังไม่ทันได้ช่วยก็บอกว่าช่วยไม่ได้เสียแล้วผมว่าน่าจะลองช่วยดูก่อนไม่ลองไม่รู้นะครับนายกุนเชียงยังคงเศร้าซีไม่ต้องลองก็รู้ได้ อาตมารู้ว่าช่วยไม่ได้จริงๆแต่ผมว่าหลวงพ่อช่วยได้โยมจะให้อาตมาช่วยอะไรไหนลองบอกมาสิหลวงพ่อก็ไปบอกพวกเขาว่าพรุ่งนี้ให้งดบินเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเขาแนะนำท่านพระครูไม่มีประโยชน์หรอกโยม ถึงอาตมาไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์ให้เขาเชื่ออาตมาเป็นเพียงผู้โดยสารคนหนึ่งเขาไม่เชื่อคําพูดของอาตมาแน่ถ้าเกิดเขาเชื่อละครับสมมติว่าเขาเชื่อและงดบินในวันพรุ่งนี้เขาก็จะไม่ต้องตายกันทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์ได้ว่า ถ้าเขาบินเครื่องจะตกเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเชื่ออาตมาดีกว่าเมื่อกี้อาตมาพยายามช่วยเขาแล้วแต่ไม่สำเร็จหลวงพ่อช่วยอย่างไรครับผมยังไม่เห็นหลวงพ่อจะพูดอะไรกับเขาเลยท่านพระครูจึงต้องอธิบายว่าที่อาตมารู้ว่าพวกเขาจะต้องตายเพราะเห็นว่าเขาไม่มีศรีรษะกันเลย อาตมาก็ว่าคาถาต่อศีระให้เขาแต่ไม่สำเร็จเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำร่วมกันมาอย่างที่บอกแล้วไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมไปได้ถ้าอย่างนั้นผมจะลองบอกเขาดูซิว่าจะเชื่อไหมไม่ลองก็ไม่รู้ผมขอลองนะครับเขาขออนุญาตก่อตามใจ นั่นไงสะจวดเดินมานั่นบอกเขาสิท่านพระครูอนุญาตให้เขาลองในคุณเชียงจึงทักถ่ายสะจวดว่าสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้าคณะนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยอยากจะบอกอะไรกับพวกคุณสักอย่างเป็นเรื่องสำคัญมากเขาพูดภาษาจีนกลางคิดว่าสะจวดหนุ่มหน้าใสาจะต้องให้ความสนใจ หากก็ผิดคาดพระนมหน้าใสถามเขาอย่างเป็นงานเป็นการว่าเราบริการขาดตกบกพร่องตรงไหนหล่ะครับกรุนาบอกด้วยเราจะได้ปรับปรุงเขาพูดภาษาจีนกลางเช่นกันเรื่องบริการไม่มีอะไรบกพร่องแต่เรื่องความปลอดภัยในชีวิตคุณจะต้องเอาใจใส่และต้องเชื่อสิ่งที่ผมกาลังจะบอก คุณจะบอกอะไรล่ะครับเขาถามด้วยเสียงปกติแสดงว่าไม่สนใจสักเท่าไหร่ผมกำลังจะบอกคุณว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านรู้ว่าพรุ่งนี้เครื่องบินลานี้จะตกพวกคุณจะต้องตายพร้อมกับผู้โดยสารทั้งลำฉะนั้นจงอย่าบินในวันพรุ่งนี้สาจวดนุ่มแสดงความไม่พอใจออกมาทางสีหน้าและแววตาพูดเสียงห้วนๆ ว, ว่า ถ้าคุณเมาก็จงหลับเสียอย่าพูดอะไรที่ไร้าสาระอย่างนั้นแล้วก็อย่าเอาพระมาอ้างผมไม่ได้เป็นพุทธจึงไม่ได้นับถือพระพูดจบก็เดินจากไปด้วยท่าทางกรดโกรธเห็นหรือยังว่าช่วยอะไรไม่ได้อดใจรอดูเหตุการณ์ดีกว่าท่านพระครูแนะนำแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรละครับ ว่าเครื่องบินลำนี้ตกในคุนเชียงยังคงสงสยัยไม่ยากรอกพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ก็จะลงข่าวโยมก็ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านก็ไม่เห็นจะยากเลยท่านตอบตามที่เห็นผมเสียใจที่ช่วยพวกเขาไม่ได้พูดเสียงละห้อยไม่ต้องเสียใจหรอกโยมขอให้นึกถึง พระพุทธวจนะที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลถ้าทำกรรมดีก็ได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วไม่มีใครช่วยใครได้เยียวว่าแต่ธรรมดาอย่างเราๆเลยแม้พระพุทธองค์ผู้ทรงฤทธ ทรงอนุภาพอันหาประมาณไม่ได้ก็ยังไม่อาจช่วยได้อย่างกรณีที่พระญาติของพระองค์ทํทสงครามแย่งน้ำกันพระองค์ก็ทรงพยายามที่จะช่วยโดยการตรัสห้ามอยู่หลายครั้งหากก็ไม่สำเร็จแย่งน้ำกันไปทำไมครับเป็นกษัตริย์ยังต้องแย่งน้ากันด้วยหรือนกุนเชียงสงสยัย กันทำนาน่ะสิสมัยพุทธกาลแม้กษัตริย์ก็ยังต้องทำนาถึงได้มีพระราชพิธีจรดพระนางคาันแรกนาขวัญอย่างไรล่ะพระญาติของพระองค์แย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีกันจนถึงกับต้องทำสงครามพระองค์เสด็จไปทรงห้ามหลายครั้งในที่สุดทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรม ที่พระญาติเคยทำร่วมกันมาคือพระญาติฝ่ายบิดาและพระญาติฝ่ายพระมารดาได้เคยผูกเวนกันมาครั้งอดีตชาติหลังจากทรงพิจารณาแล้วว่ามิอาจช่วยได้ก็ทรงวางอุเบกขาปล่อยให้พวกเขารบราขาฟันกันล้มตายเป็นจำนวนมาก จนน้ำในแม่น้ำโรฮินีกลายเป็นสีแดงด้วยโลหิตของพระยาทั้งสองฝ่ายซึ่งเข็นฆ่าล้างพลานกันจนเลือดนองพื้นแผ่นดินและพื้นน้ำที่นิยมเห็นหรือยังล่ะว่าเรื่องของกรรมนั้นไม่มีใครช่วยใครได้เห็นแล้วครับแต่ผมก็ยังอยากลองอีกสักครั้งผมจะบอกกับแอร์โฮสเตดดูบ้าง หลวงพ่อว่าเขาจะเชื่อผมไม่ครับเขาไม่เชื่อหรอกโยมจะลองดูก็ได้นั่นไงเดินมาอีกคนหนึ่งแล้วในกุนเชียงหันไปสบสายตากับสาวหน้าขาวใสเหมือนไข่มุกทันทีว่าเรียกหล่อนครั้นหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้จึงบอกด้วยภาษาจีนกลางว่าคุณครับช่วยบอกเพื่อนๆด้วยว่า พรุ่งนี้อย่าบินมิฉะนั้นจะต้องพากันตายทั้งหมดเพราะพรุ่งนี้เขาพูดยังไม่ทันจบสาวสวยก็พูดขัดขึ้นว่าถ้าคุณต้องการน้ำชากาแฟหรือผ้าเย็นก็บอกฉันได้แต่ถ้าจะพูดเรื่องไร้สาระฉันไม่เสียเวลามาฟังเพราะต้องทำงานเหตุนี้นายกุนเชียงเยาวราชก็เลยหน้าจ๋อยไปตามระเบียบ ท่านพระครูได้ทีจึงพูดเยาะเย้ยว่าถ้าเชื่ออาตมาเสียตั้งแต่แรกก็จะไม่ต้องเสียหน้าถึงปานนี้เป็นยังไงสบายใจขึ้นบ้างหรือยังถ้ายังก็ลองดูอีกคนก็ได้นั่นไงคนที่เดินอยู่นั่นหัวหน้าทัวรีบบอกด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่าพอแล้วครับผมสบายใจแล้ว ต่อแต่นี้จะไม่บอกใครอีกแล้วเข็ดแล้วเสียงที่พูดได้ยินไปถึงโยมเสียมจึงถูกฝ่ายนั้นซักไซไล่เลียงเกิดอะไรขึ้นเสียงแล้วแล้วแปลว่าอะไรสตรีวัยกลางคนอยากรู้ในกุนเชียงจึงจำต้องเล่าเรื่องให้หล่อนฟังอย่างเก่าๆคิดว่า คงได้รับความเห็นใจจากลูกทัวบ้างแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเมื่อโยมเสียมพูดว่าเรื่องของคนอื่นกรรมใครกักรรมมันระวังเถอะประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดระวังเอ็นขาดนะแล้วจะหาว่าไม่เตือน สัตว์โลกย่ำเป็นไปตามกรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อหลอนยื่นหน้าออกมาถามท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงเพียงแต่ยิ้มเพราะไม่ประสงค์จะต่อความยาวสาวความยืดประมาณชั่วโมงเศษเศษเครื่องบินขนาดสองเครื่องยนต์ที่บินมาจากเมืองสวเทาก็ร่อนลงยังสนามบินที่เมืองกุ้ยหลินผู้โดยสารประมาณร้อยกว่าคน ต่างพากันเข้าแถวตรงช่องทางเดินเพื่อเตรียมตัวลงจากเครื่องคนที่รีบร้อนมากก็ถือโอกาสแซงคิวคนอื่นจึงเกิดการต่อว่าต่อขานเสียงลงเล้งเงซ่งแท้ท่านพระครูยังไม่ลุกจากที่นั่งด้วยเหตุผลสองประการประการแรกท่านไม่ต้องการเบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นๆโดยเฉพาะ ที่เป็นมาตุคามและประการที่สองท่านต้องการใช้เวลาอันน้อยนิดนี้เจริญภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับนักบินและผู้ให้บริการบนเครื่องทั้งชายและหญิงให้พวกเขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหากเขาทำกรรมไม่ดีมาอย่างน้อยก็ช่วยให้อาสานกรรมของเข้าตั้งอยู่ในฝ่ายกุศล ก่อนที่จะไปเสวยผลกรรมที่เป็นอกุศลท่านช่วยได้เพียงเท่านี้จากสนามบินนายกวนเชียงพาคณะทัวร์มาขึ้นรถบัสซึ่งจอดอยู่แล้วไปยังโรงแรมที่พักเก็บสัมภาระไว้ที่โรงแรมและรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วจึงออกไปทัศนศึกษาชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองกุ้ยหลินโดยเฉพาะถ้ำคืนไข่มุก ซึ่งดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนื่องจากเป็นคณะท่องเที่ยวที่มีพระพิสุมาด้วยหัวหน้าทัวร์จึงเลื่อนเวลาอาหารกลางวันจากเที่ยงมาเป็น11นาฬิกาทําให้มีเวลาเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเมื่อฉันเพนและรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วทั้งพระ และคารืหัดจึงพากันขึ้นรถบัสเพื่อไปอยังท่าเรือนั่งเรือไปอยังท่ามคืนไข่มุกขณะเรือกำลังแล่นไปตามลำน้ำท่านพระครูก็ได้เห็นวิธีจับปลาของคนจีนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็เป็นวิธีที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนกล่าวคือเขาจะมีนกสีดำรูปร่างคล้ายกาผูกขานกไว้ด้วยเชือกเส้นเล็ก แล้วก็มีความยาวหลายวานกก็จะบินลงไปโฉบปลาในแม่น้ําให้เจ้าของเมื่อมันได้ปลามาตัวหนึ่งเจ้าของก็จะให้รางวัลด้วยการโยนชิ้นเนื้อให้มันหนึ่งชิ้นถ้าปลาที่มันโฉบมาได้มีขนาดเล็กเขาก็จะโยนชิ้นเนื้อเล็กๆให้มันแต่ถ้าปลาตัวโ ต, วตวมันก็จะได้กินเนื้อชิ้นโตเช่นเดียวกัน ในคุณเชียงจ้างมักุเทศที่พูดภาษาไทยได้มาบรรยายให้ลูกทัวร์ฟังในเรือคนที่ตั้งอกตั้งใจฟังมากที่สุดก็คือท่านสมภานวัดป่ามะม่วงเพราะท่านยึดหลักว่าเมื่อมาทัศนศึกษาก็ต้องดูและเรียนรู้ให้สมกับคำว่าทัศนะและศึกษามักุเทศซึ่งเป็นคนท้องถิ่นนั้นบรรยายด้วยภาษาไทยสำเนียงจีน เขาเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนให้คณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยฟังว่าชาวจีนเป็นชาติที่มีนิสัยขยันขันแข็งอดทนอดกลัน้นและอดออมสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้หล่อหลอมนิสัยเหล่านี้ให้กับพวกเขาทางภูมิศาสตร์คือจีนมีเนื้อที่กว้างขวางและมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะพื้นที่ทางเหนือที่ติดกับประเทศรัศเสเซียบางปีฝนแรงบางปีน้ำท่วมทำให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้ผลตามที่คาดหมายประกอบกับสภาพทางสังคมที่มีพลเมืองหนานแน่น เพราะถือคติว่าการมีลูกมากเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของวงตระกูลแต่ละครอบครัวจึงมีลูกกันครอบครัวละหลายๆคนบางครอบครัวก็ถึงยี่สิบคนเมื่อพลเมืองหนาแน่นและผลผลิตทางด้านอาหารน้อยเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหารพวกคนยากจน ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าคนฐานะปานกลางและคนฐานะร่ำรวยพวกที่ทนอดอยากไม่ไหวก็จะพากัน อ, อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยโดยให้พวกผู้ชายไปก่อนเมื่อตั้งหลักตักฐานมั่นคงแล้วก็จะเดินทางมารับภรรยาและบุตรไปพวกเต่เป็นหนุ่มก็ยังไม่มีครอบครัว ก็จะไปแต่งงานกับคนไทยช่วงที่มีการอพยพมากที่สุดก็คือในสมัยราชวงศ์โจต่อมาได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เพราะคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องชนชั้นได้แต่กลับกลายเป็นว่าประชาชนลำบากมากขึ้นและเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมา คือชนชั้นรัฐบาลที่ใช้อำนาจกดขี่ขคี้ยวเข็นรัศดรทําให้ทุกยากมากยิ่งกว่าสมัยที่ปกครองระบอบกษัตริย์เสียอีกแล้วมักคุเทสก็เปิดเผยความในใจของเขาว่าผมเองชอบการปกครองระบอบกษัตริย์มากกว่าเพราะมีสิทธิเสรีภาพในการคิดการพูดการทำมากกว่าระบอบคอมมิวนิสต์ที่ผมกล้าพูดเช่นนี้ เราะเห็นว่าคนขับเรือฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องถ้าเขาฟังรู้เรื่องผมก็คงไม่กล้าพูดคืนพูดก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลถูกฆ่าตายคนแล้วคนเล่าเพราะมีพวกสายลับของรัฐบาลคอยตรวจสอบเอาล่ะทีนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องดีๆของคนจีนบ้าง แล้วเขาจึงเล่าเรื่องการดำรงชีวิตของคนจีนว่าครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่จะเอาใจใสล่ลูกๆโดยเฉพาะแม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านจะทำหน้าที่แม่บ้านดูแลเรื่องอาหารการกินของสามีและบุตรในตอนเช้าเตรียมอาหารเช้าให้สามีและบุตรบริโภคที่บ้านและยังเตรียมอาหารกลางวัน เพื่อนำไปบริโภคอย่างที่ทำงานและที่โรงเรียนด้วยเมื่อโรงเรียนเลิกบุตรกลับมาถึงบ้านก็จะถามว่าวันนี้เรียนอะไรมีการบ้านอะไรบ้างจะดูการบ้านให้แล้วจึงทำอาหารเพื่อรับประทานกันเมื่อสามีกลับจากที่ทำงานหลังจากอาหารเย็นเป็นเวลาพักผ่อนพ่อแม่จะใช้ช่วงเวลานี้อบรมสั่งสอนบุตร เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆนอกจากได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัวแล้วโรงเรียนก็มีส่วนช่วยในการปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับนักเรียนวันเสาร์อาทิตย์ครูจะขี่จั ก, กรยานไปตามบ้านของเด็กนักเรียนเพื่อสอบถามผู้ปกครองว่าเด็กเป็นอย่างไรขยันทำการบ้านหรือเปล่าหรือถ้าเด็กไม่เข้าใจเรื่องเรียน เช่นทำการบ้านไม่ได้และพ่อแม่ก็สอนไม่เป็นครูจะถือโอกาสสอนการบ้านให้โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเจ้าอววาดวัดป่ามาม่วงฟังด้วยความเพลิดเพลินในขณะเดียวกันก็นึกเปรียบเทียบสังคมไทยท่านอยากให้ครอบครัวไทยและครูไทยเป็นเหมือนเช่นมกคุเทศสาธยาย เด็กไทยจะได้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพท่านเห็นว่าอนาคตของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงเพราะมีแนวโน้มไปในทางวัตถุนิยมมากขึ้นเนื่องจากรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามาและพยายามที่จะดำเนินชีวิตเยี่ยงชาวตะวันตก ี่ถือเอาความเจริญทางวัตถุเป็นเครื่องวัดความเจริญของครอบครัวและสังคมผู้คนจะทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้กับการสแสวงหาวัตถุระบบครอบครัวจะถูกทำลายโดยความเจริญทางวัตถุพ่อแม่จะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกเหมือนเช่นแต่ก่อนเพราะต้องทำงานหาเงินหารุ่งหามค่ํา เมื่อเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดก็จะพากันประพฤตินอกลู่นอกทางกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไปท่านไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของสังคมไทยในอนาคตคือปัญหายาวชนติดยาเสพติดบัตรนี้ เราได้มาถึงถ้ำไข่มุกแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วเข้าไปชมถ้ำโปรดจับกลุ่มกันไว้อย่าให้หลงนะครับเพราะมีคนมาหลายกลุ่มหลายคณะเสียงมักคุเทศประกาศท่านพระครูจึงหยุดคิดเรื่องเมืองไทยแล้วเตรียมตัวลงไปชมถ้ำ คืนไข่มุกสวยงามดังคำเล่าลือเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้ไม่ได้เกิดจากการเสกสรรปั้นแต่งของมนุษย์หินงอกหินย้อยที่มองดูเหมือนพวงไข่มุกย้อยลงมาดูงดงามเมื่อต้องกับแสงไฟฉายที่มกุเทียตใช้สองทางเดินท่านพระครูหยิบไฟฉายออกมาจากย่ามเพื่อส่องดูความงามของถ้าและ เพื่อไม่ให้ผู้ใดเดินมาชนท่านโดยเฉพาะพวกผู้หญิงคณะนักท่องเที่ยวที่พากันชมท่ามีการหลายคณะและมาจากที่ต่างๆกันและส่วนใหญ่ก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันจึงไม่มีความแตกต่างทางรูปร่างหน้าตาทุกคนมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมาชมท่าหากก็อยู่ในนั้นได้ไม่นาน เราต้องแย่งอากาศกันหายใจหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคณะนักท่องเที่ยวโดยการนำของนายกุลเชียงจึงพากันออกมามากคุเทศพาไปเดินซื้อของที่ระลึกซึ่งมีขายเรียงรายอยู่หน้าถ้าซื้อของกันจนไปที่พอใจแล้วจึงลงเรือเพื่อไปต่อรถบัสกลับโรงแรม ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเบื้องทิศตะวันตกพระจันทร์ลอยเด่นเห็นไกลอยู่ทางทิศตะวันออกกำลังเดินทางมาผลัดเปลี่ยนเวรกับพระอาทิตย์ซึ่งทำหน้าที่มาแล้วทั้งวันพระจันทร์จะรับช่วงหน้าที่ในยามค่าคืนต่อไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถือเอาอากาศอันน้ารื่นรมนี้ แสดงธรรมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์และความสุขของพวกเขาว่าญาติโยมเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังอัศโดงตรงเบื้องทิศขวามือของอาตมานั่นไหมเมื่อคนฟังตอบพร้อมกันว่าเห็นท่านจึงถามอีกว่าแล้วทางทิศซ้ายมือของอาตมาโยมเห็นไหมเห็นอะไรเห็นน้ำกับฟ้าค่ะ โยมเสียมตอบดังกว่าเพื่อนเห็นพระจันทร์กำลังขึ้นค่ะโยมเฮียตอบและคนอื่นๆก็ตอบเหมือนโยมเฮียท่านพระครูจึงรักษาหน้าโยมเสียมด้วยการประนีประนอมว่าตอบถูกทุกคนแต่ที่อาตมาต้องการก็คืออยากให้ตอบว่าพระจันทร์กาลังขึ้น เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้มองเห็นเป็นธรรมะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติหรือจะแปลธรรมะว่าคือหน้าที่ก็ได้เหมือนกันธรรมชาติของพระอาทิตย์คือให้แสงสว่างช่วงกลางวันธรรมชาติของพระจันทร์ส่องสว่างช่วงกลางคืนต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนญาติโยมพึงพิจารณาด้วยปัญญาว่า พระอาทิตย์กับพระจันทร์ผลัดกันลงผลัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเวลาล่วงไปทุกขณะจิตแล้วตัวเราละ่ะเรากำลังทำอะไรอยู่อาตมาจึงสอนญาติโยมเสมอเสมอว่าอดีตอย่าเอามารื้อฟื้นเรื่องของคนอื่นอย่าเก็บเอามาคิดกิดที่ชอบทำให้สำเร็จ นี่อาตมาสอนตามพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของเรานะอาตมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์ก็ต้องสอนตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเดี๋ยวนี้คนเก่งมีมากเหลือเกินทั้งโยมทั้งพระพวกเขาอวดอ้างยกตนข่มท่านข่มถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาในโลกนี้หรือว่าโลกไหน ก็ไม่มีใครที่จะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีญาติโยมอย่าไปเชื่อเป็นอันขาดเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอเพราะพระองค์ทรงสอนความจริงที่พระองค์ตรัสรู้คือพระองค์ทรงพิสูจน์แล้วจึงทรงนำมาสั่งสอนที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะรู้ว่าในอนาคตจะมีคนอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่า เนื้อกว่าพระพุทธเจ้าอย่าโยมจงใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้ทองแท้อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปเสียเวลากับคนพวกนี้ที่อาตมาเรียกว่าพวกลวงโลกวังเอาลาบอย่าไปตกเป็นเหยื่อของเขาให้ดำเนินชีวิตด้วยสติพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่เป็นพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนมิให้สนใจเรื่องของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างให้พิจารณาตัวเราเท่านั้นว่านาทีของเราเราทำได้หรื อ, อยังพระคุณเจ้าสอนดีเหลือเกินผมเสียดายที่ตอนขามาไม่ได้นิมนต์ท่านสอน มกุเทศพูดจาจากใจจริงไม่ต้องเสียดายที่โยมบรรยายมานะ่ะก็มีประโยชน์กับอาตมามากอาตมาจะได้นำไปสอนลูกศิษย์อยากให้ครอบครัวคนไทยอบอุ่นเหมือนครอบครัวคนจีนโยมบรรยายดีมากท่านชมอีกมกุเทศรู้สึกใจพองที่ถูกชมเพราะ นั่นเท่ากับเป็นหลักฐานพยานให้ในกุนเชียงรู้เห็นว่าเขาเป็นมักกุเทศที่มีคุณภาพพระอาทิตย์กำลังจะจมหายไปในผืนน้ำพระจันทร์ลอยเด่นเห็นชัดขึ้นเป็นทัศนียภาพที่งดงามเหนือคํารำพันทุกชีวิตในเรือลำเดียวกันต่างชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างดูดดื่มเสียงใครคนหนึ่งตะโกนออกมาจากท้ายเรือ ด้วยเสียงที่บ่งบอกถึงความมีใจร่าเริงว่าซันโมเลก